วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง7ันห้าเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวรนะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา หยุดภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาทำภารกิจทางด้านจิตใจคือมาชำระจิตใจมาซักพอกจิตใจให้สะอาดเพราะจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องได้รับการชำระอยู่เรื่อยๆ ร่างกายของพวกเราเราก็ต้องอาบน้ำกันทุกวันวันละครั้งสองครั้ง mm hmm. เพื่อร่างกายจะได้สะอาดจะได้ให้เรามีความรู้สึกสดชื่นเ mm hmm. บิกบาน mm hmm. จิตใจก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายที่จาเป็นที่จะต้องมีการชำระซักพอกอยู่เรื่อยๆ เพราะจิตใจก็มีสิ่งที่ทำให้จิตใจสกปรกคือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ถ้าไม่ได้รับการชําระการกําจัดออกจากจิตใจไปจิตใจก็จะมีแต่เรื่องเศร้าหมองถ้าไม่รักษาไม่ชาระอยู่เรื่อยๆก็อาจจะกลายเป็น โรคซึมเศร้าขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าจิตใจได้รับการชําระอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกับร่างกายที่ได้รับการชําระอยู่อย่างต่อเนื่องร่างกายก็จะสะอาดร่างกายก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาคุกคาม จิตใจถ้าได้รับ ก, การสักพอกอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะสะอาดจะไม่มีเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหามาคุกคามมาสร้างความเศร้าความไม่สบายใจต่างๆให้แก่จิตใจวันพระจึงเป็นวันที่ชาวพุทธเรานิยมที่จะให้ไปกับให้เวลากับการ ชำระจิตใจกันอย่างเอาจริงเอาจังคือเอาวันพระนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงวันรุ่งขึ้นของวันวันถัดไปคือเอาเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของวันพระนี้มาให้กับการชำะระซักข้าจิตใจด้วยการ ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติไปใช้ในการชําระซักขอ้จิตใจให้สะอาดแล้วเมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับ ทำให้จิตใจมีความสะอาดมีความผ่องใสมีความเบิกบานมีความสดชื่นนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราพึงกระทํากันในวันพระซึ่งเมื่อก่อนวันพระนี้จะเป็นวันหยุดทางานแต่สมัยนี้เนื่องจากเป็นโลกที่มีความ เกี่ยวข้องกับนานาชาติวันหยุดทำงานก็เลยกลายเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งบางครั้งก็ไม่ตรงกับวันพระพอดีอาทิตย์นี้จังหวะเป็นวันที่ตรงกันก็เลยจากพูดเราก็จะได้มีเวลาได้เข้าวัดได้ไปศึกษาไปปฏิบัติ ไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ต่อไปวันพระก็จะเลื่อนไปจากวันเสาร์ก็จะไปเป็นวันอาทิตย์แล้วจากวันอาทิตย์ก็ไปวันจันทร์อังคารตามลำดับไปเรื่อยๆพอวันพระไปตรงกับวันที่ทำงานชาวพุทธเราก็เลยไม่สามารถที่จะ ไปวัดไปชำระจิตใจของตนได้เพราะเนื่องจากต้องทำงานทำการดังนั้นเพื่อปรับความความเข้าใจให้ถูกต้อ ง, กงเกี่ยวกับเรื่องของวันพระนี้วันพระก็คือวันที่เราหยุดทางานเราควรที่จะเอาวันที่เราหยุดทางาน คือสมัยนี้เราหยุดทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือทั้งสองวันเราก็เลือกเอาวันใดวันหนึ่งในวันหยุดนี้มาเป็นวันพระแทน mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดทุน mm hmm. เราจะได้มีวันพระทุกอาทิตย์เพราะจิตใจนี้ถ้าไม่ได้รับการชำระอย่างสม่าเสมอ mm hmm. ความเศร้าหมองความซึมเศร้า ก็จะสะสมให้มีมากขึ้นไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีการชำระอยู่เรื่อยๆโอกาสที่ความซึมเศร้าความเศร้าหมองต่างๆจะสะสมจะสร้างความทุกข์สร้างความ <c oughs> เครียดให้แก่จิตใจก็จะมีน้อยลงไป แล้วก็อาจจะทำให้จิตใจนี้สะอาดขึ้นดีขึ้นไปจนในที่สุดก็อาจจะไปถึงขั้นสูงสุดของการํำระ จ, จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนการชำระจิตใจ ในเบื้องต้นก็เราก็ต้องเริ่มจากวันหนึ่งก่อนอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนเมื่อเราได้ทำการซักพอกแล้วเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างจิตใจที่ไม่ได้รับการซักพอกกับจิตใจที่ได้รับการซักพอกว่ามีความแตกต่างกันจิตใจที่ได้รับการซักพอกยังรู้สึกมีความสุข มีความสบายใจเบา อ, อกเบาใจมากกว่าจิตใจที่ไม่ได้รับการซักพอ้อเมื่อได้รับการซักพอ้อด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเมื่อได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ก็จะเกิดม ah, ah, uh ีศร um uh ัทธามีวิริยะมีฉันทะมีความยินดีมีอิธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือฉันทะคือความยินดีที่จะซักฟอกจิตใจให้เพิ่มมากขึ้นก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำการซักฟอกมีจิตตะคือจิตใจที่จดจ่อ อยู่กับการซักพอกจิตใจไม่ให้ใจไปสนใจกับเรื่องทางเรื่องอย่างอื่นมีเวลาว่างมากน้อยเพียงไรก็อยากจะเอาเวลามาให้กับการซักพอกจิตใจมีมังสาคือความคิดไข้ควรก็จะคิดคข้ควรเกี่ยวกับวิธีการชำระซักพอกจิตใจว่าจะต้องซักพอกจิตใจ ด้วยอะไรบ้างเครื่องซักฟอกจิตใจที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรานํำมามาใช้ในการซักฟอกนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าทานระดับที่สองก็เรียกว่าศีล ร, ระดับที่สามก็เรียกว่าภาวนาทานศีลภาวนานี้เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจ มีพลังในการซักพอกจิตใจมากน้อยต่างกันไปสําหรับผู้ที่เริ่มต้นในการซักพอกจิตใจก็เริ่มที่ในระดับที่ง่ายก่อนระดับที่ง่ายก็คือซักพอกจิตใจด้วยการทำทานแล้วเมื่อได้ทำทานแล้วต่อไปก็จะมีกำลังมากขึ้น ก็จะเพิ่มไปซักพอกจิตใจด้วยการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลได้แล้วต่อไปก็จะมีกำลังที่จะไปซักพอกจิตใจด้วยการภาวนาคือการบาเพ็ญจิตตภาวนาที่มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือส ม, มถภาวนา ซักฟอกจิตใจด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิมเมื่อได้สมาธิได้สติมีก็จะมีกำลังที่จะไปซักฟอกกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆด้วยปัญญาซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของของการซักฟอกขั้นต่างๆก่อนที่จะถึงขั้นปัญญานี้ ยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพียงแต่ช่วยตัดช่วยลดกำลังของกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับแต่จะกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากใจได้จำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญา ขั้นสุดท้ายของการสักฟอกและก็ต้องผ่านขั้นต่างๆก่อนไม่ใช่จะไปเริ่มที่ขั้นปัญญาได้เลยเพราะผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้นี้จาเป็นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่มีความมั่นคงมีความสงบนาแน่นโดยต้องมีจิตใจที่มีสมาธิ และการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีการรักษาศีลมีการรักษาศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปเพื่อที่จะได้ํำจัดการกระทำที่กิเลสเครื่องเศร้าหมองชอบพาให้ไปกระทำกันนั่นคือการไปหาความสุขจากการมุณทั้งห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระชนิดต่างๆและก่อนที่จะมารักษาศีแปได้ก็จําเป็นที่จะต้องรักษาศีห้าให้ได้ก่อนตลงละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดดื่มสุรายาเมาให้ได้ก่อนและก่อนที่จะมารักษาสีห<ม>้าได้ ก็ต้องมีทานเป็นผู้สร้างกําลังขึ้นมาการทำทานนี้ก็เป็นการสร้างจิตใจที่ดีจิตใจที่ไม่ทำบาสนั่นเองจิตใจที่ชำระความโลภความโกรธความหลงที่จะทำให้เกิดความเมตตาต่อสัตว์ ร่วมโลกด้วยกันแล้วจะทำให้มีความรู้สึกไม่อยากจะเบียดเบียนผู้ทานจึงเป็นสิ่งเป็นขั้นแรกของการชำระจิตใจชำระความโลภความความตนีความเห็นแก่ตัวด้วยการทำทานด้วยการให้ด้วยการแบ่งปัน ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากกว่าความจำเป็นที่จะต้องมีความจาเป็นของเราในเรื่องทรัพย์สินก็มีไว้เพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายนี้เท่านั้นเองเงินทองที่เรามีอยู่นี้มีประโยชน์เพียงแต่มีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้น ถ้าเอาไปใช้ในทางอื่นนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ไปเป็นโทษต่อจิตใจเพราะจะเป็นการไปสร้างให้มีกิเลสเครื่องเส้าหมองเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองเช่นการเอาเงินทองไปหาความสุขซื้อของต่างๆของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆด้วยการไปดูมหรศพบรรเทิงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้น<ม>การใช้เงินทองในรูปแบบนี้<ม>เป็นการสร้างกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้มีกำลังมากขึ้นให้มาสร้างความเศร้าหมองสร้างความเครียดให้แก่จิตใจ พอเมื่อใช้เงินเหล่านี้ไปมันก็หมดหมดได้เมื่อหมดก็ต้องเกิดความเครียดในการที่จะต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอามาใช้ตามความอยากของกิเลสความโลภในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆนั่นเองชีวิตก็เลยจะต้องวุ่นวายไปกับการทำมาหา หาเงินทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วไม่พอยังต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงกิเลสการหาเครื่องเศร้ามองต่างๆเพื่อที่จะได้มาสร้างความเครียดสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจเพิ่มมากขึ้นไป<ม><ม>เงินทองนี้จึงมีประโยชน์และมีโทษถ้ารู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้<ม>ถ้ารู้ถ้ารู้จักใช้ก็จะมีคุณมีประโยชน์ เพราะเราก็จะได้เอามาใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์เช่นใช้กับร่างกายร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคซึ่งก็จาเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้ไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาดูแลร่างกายถ้าใช้เงินทองไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ ก็เป็นการใช้ที่มีคุณมีประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดโทษต่อจิตใจไม่ได้ทำให้จิตใจเครียดหรือจิตใจเศร้าหมองแต่นอกจากนั้นแล้วถ้าเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้อันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะมาสร้างกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการใช้เงินแบบนี้มันเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติด ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนความสุขที่ได้จากยาเสพติดเสพแล้วจะไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็อยากจะเสพไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความเครียดเกิดความเศร้าเกิดความเศร้าขึ้นมาได้เกิดความหมงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจลำคานลำลำคาญใจได้ เงินทองที่ไม่พอใช้ไม่ใช่เพราะว่าไม่พอใช้เลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่พอใช้ไปใช้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกกยนี่เองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะห้ามปรามอย่าเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปใช้กับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติด ซื้อแล้วมันก็ติดเศษแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์พอเงินหมดก็ต้องไปดิน้นหลนไปทำอานหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะได้เอามาใช้กับการเสพติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสภพาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาซักพอกจิตใจใ ก็จะต้องใช้เวลาทุกวันที่มีอยู่นี้ไปกับการหาเงินหาทองแล้วก็พอได้เงินได้ทองมาก็จะเอาเงินทองนี้ไปใช้กับการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธทพะชนิดต่างๆทำงานห้าวันหาเงินหาทองมาพอวันที่หกวันที่เจ็ดวันหยุดทำงานก็ต้องไปเสบความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะชนิดต่างๆ ชีวิตก็จะติดพันอยู่ ก, การหาเงินหาทองเพื่อมาเสพยาเสพติดของชีวิตก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดพ ภ, ภาชนิดต่างๆนี่ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปเข้าวัดเพื่อไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการซักพอกจิตใจให้สะอาดเพื่อกำจัดความเครียดกาจัดความทุกข์กำจัดความเศร้าหมองต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจ<ม>ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้<ม><ม>นี่คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่มาคอยขัดขวางการสักพอกจิตใจเพื่อให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้หลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมาคุณห้านี่การมาฉันทะการยินดีในการมาคุณทั้งห้ายินดีการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพชชนิดต่างๆโดยไม่รู้เลยว่ากาลังเสพ ย, ยาเสพติดเมื่อเสพแล้วก็จะต้องเสพไปเรื่อยๆการจะเสพก็ต้องมีเงินทอง ก็ต้องไปทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองอยู่เรื่อยๆพอวันหยุดทำงานก็เอาเวลาหยุดทำงานไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ<ๆ>ชีวิตก็จะวเนเรียนอยู่กับการหาการใช้เงินทอง<ๆ>เพื่อเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะไป<ๆ>ถึงแม้จะได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับคุณได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา mm hmm. พระพุทธศาสนานี้มีคุณต่อสัตว์โลกอย่างไร mm hmm. พระพุทธศาสนามีคุณต่อสัตว์โลกก็คือเป็นศาสนา mm hmm. เป็นคำสอนเดียวเท่านั้นที่จะพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ mm hmm. สังสารวัฏก็คือพบของสัตว์โลกที่ติดที่ เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่มีสามภพด้วยกันเราเรียกว่าตายภพมีกามะภพมีรูปะภพและอรูปะภพสัตว์โลกที่ติดติดกามคุณห้าก็จะต้องมาเกิดในกามะภพสสารโลกที่ติดในรูปประชานก็จะไปเกิดในรู ป, ประภพสัตว์โลกที่ติดในอรูปประชานก็จะไปเกิดในอรู ป, ประภพ ไปเกิดแล้วพอพอกาลังของของเหตุที่พาให้ไปเกิดเสื่อมลงหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างเหตุให้กลับไปเกิดในใตายพบใหม่โลกที่ติดการก็จะกลับมาเสพการใหม่แล้วก็พอร่างกายตายไปก็ต้องไปอยู่ใน อยู่ในสภาพที่ปราศจากร่างกายที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณชนิดต่างๆถ้าทำบาปก็จะต้องไปอยู่ในอบายถ้าทำบุญก็จะไปอยู่ในสวรรค์ถ้าเสพถ้าเข้าฌานได้ก็จะไปสู่รูปภพหรืออรูปภพแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่ทุกๆคน โวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่นี้พวกเรานี้ต่อไปก็ต้องแก่กันถ้ายังไม่แก่ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย<ม>เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ถ้ายังไม่ตายก็จะต้องตายไปด้วยกันทุกคนมไม่มีใครยกเว้นไม่ว่าจะสูงจะต่ำจะรวยจะจนนี้ร่างกายของคนเราทุกคนตกอยู่ในสภาพเดียวกันหมดม นี่ก็คือกองทุกเนี่ยที่สโลกทั้งหลายต้องมาติดกันอยู่ด้วยความหลงไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพถะนั่นเองเมื่อเมื่อติดการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายให้เสพอยู่เรื่อยๆพ อ, อร่างกายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ถึงแก่ความตายลงไป จิตใจที่ติดรูปเสียงกดลิ่นรสผดท่าผ้ก็จะไปรอรับไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผดท่าผ้ชนิดต่างๆต่อไปอยู่เรื่อยๆนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทุกคนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตมาเป็นเวลาอันยาวนานเพราะนานๆนจะมี ผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ทางที่จะพาให้ผู้ที่ติดอยู่ในการมาพบตายรูปพบอรูปพบนี้ได้หลุดออกจากการเมียนไหวตายเกิดได้ mm hmm. แล้วก็พอมีพระพุทธเจ้ามาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีความพร้อมมีความสามารถที่จะรับคําสั่งคําสอน รับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะถ้ายังไปติดอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะแบบโงโหวไม่ขึ้นนี้โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็แทบจะไม่มีเลยถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่ร่วมโลกด้วยกันก็อาจจะไม่เข้าหาก็ได้ เพราะไม่รู้เพราะไม่เห็นว่ามีสิ่งที่ตัวเองอยากได้จากพระพุทธเจ้านั่นเองมีแต่สิ่งที่เราสิ่งที่พูะเจ้าสอนนี้เป็นสิ่งที่มันขัดกับความอยากของเราความอยากของเราเราอยากจะเ่ําอยากจะรวยเพื่อเราจะได้มีเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆจากโลกธรรมจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าพชนิดต่างๆ ถ้าเราอยู่ในอยู่ในจุดนี้อยู่ในจุดที่ติดกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้การที่เราจะเข้าหาพระพุทธพระเจ้าหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้แทบจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกในจิตใจเลยยกเว้นว่าคนบางคนที่มีปัญญามีความรู้ พอที่จะเห็นโทษของการมาเกิดว่าเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยจะต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายจเจอกับการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักและเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่หรือบุคคลที่เราไม่ชอบเเราก็จะรู้ว่าการมาเกิดนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์แล้วก็ อยากจะหาวิธีนี้จากความทุกข์อันนี้ไปเท่านั้นแหละถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าการมาเกิดของเรานี้จะต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มัวแต่ให้ความสนใจต่อการที่จะหาความสุขจากโลกธรรม หาความสุขจากาลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยู่เรื่อยๆก็จะไม่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อย่างใดอันนี้คือ <c oughs> สถานภาพความเป็นจริงของจิตใจของพวกเราทุกคนจิตใจของพวกเราทุกคนตอนนี้ติดอยู่ในกลองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด แล้วจะรู้หรือไม่จะเชื่อหรือไม่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนคนใดถ้าคิดเป็นแล้วรู้และเชื่อว่าการมาเกิดนี้มันไม่ดีเลยการมาเกิดก็ยังเรามาเจอกับความทุกข์ต่างๆ ก, อกอจจ็อยากจะหาวิธีกาจัดความทุกข์ก็อาจจะเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไป แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้อยากจะรู้วิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยากจะรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ใครสอนได้จะมีจะสอนได้ก็เพียงแต่วิธีการดับความทุกข์แบบชั่วคราว ก็คือการดับความทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิเท่านั้นเวลาจิตเข้าไปในสมาธิจิตอยู่ในความสงบความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้จะหยุดทํางานชั่วคราวแต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มไปคิดถึงความรู้ความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาทีไรก็เกิดความรู้สึก ทุกใจขึ้นมาทันทีไม่มีใครรู้ว่าจะทําอย่างไรให้ใจไม่ทุกเวลาที่ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเวลาที่จะต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักไปไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นได้เลยแม้แต่ในยุคที่พระเจ้าทรงมาบําเพ็ญ ก็ไม่มีใครรู้พ<ป>ระพุทธเจ้าหลังจากที่เห็นคนแก่ <irrelevant> คนเจ็บคนตายแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความ <sk r isa> ไม่มีความสุขเพราะรู้ว่าร่างกายของพระองค์ต่อไปก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกันพระองค์ก็เลยอยากจะศึกษาหาวิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องทไม่ต้องาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็เห็นนักบวช ก็คิดว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่สามารถสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็ทรงมุ <as> si ่งไปหานักบวชสละราชสมบัต <as> er ิออกบวชเพื so ่อที่จะได้เรียนรู้จากนักบวชต่างๆวิธีการดับความทุกข์ใจซึ่งนักบวชเหล่านั้นก็สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ด้วยการฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบนิ่งหยุดความคิดปรุงแต่งไว้ชั่วคราว mm hmm. เวลาที่จิตสงบนิ่งหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ก็จะหายไปชั่วคราว mm hmm. แต่หลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยให้ความทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับใจพอคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีก ความทุกข์ต่างๆก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของของของความทุกข์ของใจว่าความทุกข์ของใจเกิดจากอะไรไม่มีใครคน้นพบไม่มีใครรู้จ้าชายศิีสัทธะซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นนักบวชเป็นสัมมณะโคโดมหลังจากที่ได้ศึกษาจาก พระอาจารย์ต่างๆก็ได้เรียนรู้วิชาขั้นดับความทุกข์แบบชั่วคราวคือขั้นสมาธิขั้นรูปฌานและอรูปฌานแต่พระองค์ยังไม่ทรงไม่พอพระไทยเพราะยังยังต้องเจอกับความทุกข์อีกทุกครั้งที่เวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็อยากที่จะทําให้อยากจะหาวิธีว่าทําอย่างไรให้จิตใจนี้มดูดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้เมื่อไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองในที่สุดก็ทรงตัดสั้รู้พระอริยศัสตร์ขึ้นมาทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเกี่ยวกับการพัดพากจากกันนี้มันเกิดจากปัญหาความอยากของใจปัญหาก็คือกิเลส <Allahu. S 1> เครื่องเศร้าหมองนี่ที่ทําให้ใจทุกข์เวลาเวลาร่างกายแก่ก็ทุกข์เพราะใจไม่อยากแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เพราะใจไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายก็ทุกข์เพราะไม่อยากจะให้ร่างกายตายเพราะอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆเพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสพัสชนิดต่างๆนั่นเองอันนี้พระ อ, องค์เลยส่งคนพบว่าอ๋อความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัสหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตาย หยุดความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องหยุดมันให้ได้และการจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมองเห็นความจริงของสิ่งของร่างกายว่าร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นที่เป็นสิ่งที่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเราสามารถหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายของร่างกายได้หรือไม่ เมื่อมองดูศึกษาดูก็มองเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ö, ไม่มีใครมายับยัง้งมาห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ ö, ดังนั้นเมื่อเราเห็นความจริงว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้เราก็หยุดความแก่ความเจ็บความตายด้วยความอยากของเราไม่ได้นั่นเอง นอกจากหยุดไม่ได้แล้วยังมาสร้างความทุกข์ทางใจสร้างความเครียดสร้างความทรมานใจขึ้นมามพอเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนดินฟ้ากายที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปควบคุมบังคับได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน เหมือนกับเวลาลมพัดเราก็ไม่ได้เครียดกับการพัดของลม<ฮ>เวลาฝนตกเราก็ไม่ได้เครียดกับการตกของฝนเราก็ปล่อยให้ผลส้าอากาศเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาได้นั่นเองอังนใดเราก็ต้องมาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเครียดเราทุกข์ว่ามันเป็นอนิจจัง<ฮ>เป็นอนัตตา<ฮ>เป็น สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเช่นเช่นโลกธรรมนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโลกธรรมสี่ลาบยศสารเสรนี้มีทั้งสองส่วนมีเจริญและมีเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญลาบก็มีการเสรื่อมราบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสารเสรญก็มีนินทาตามมาเป็นธรรมดา ความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็มีทุกเป็นธรรมดาเ <c oughs> พราะรูปเสียงกลิ่นรสก็มีทั้งสองรูปแบบรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑะที่ให้ความทุกข์ก็มีแล้วแต่เขาจะมาปรากฏเวลาที่เขามาปรากฏเราก็ไปกำหนดไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้สั่งให้รูปเสียงกลิ่นรสผลิัมี ที่เป็นสุขมาปรากฏให้เราสัมผัสรับรู้เพียง อ, อย่างเดียวก็ไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่รูปเสียงกิรลย์ปวดสะท่ที่จะให้ความทุกข์กับเรามาปรากฏเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องและไปอาศัยให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอนิจจัง มีการเจริญได้ก็มีการเสื่อมได้เป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะต้องมาทุกขกับความเสื่อมของราบยศสารเสริญสุขเราก็ต้องอย่าไปเสพอย่าไปมีความอยากที่จะให้เขามาให้ความสุขกับเรา <S <S เราก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากเพราะเราจะเห็นโทษของสิ่งต่างๆ ที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราว่าจะให้ความสุขกับเราไปนั้นตามจริงเขาให้ความทุกข์กับเราเพราะนั้นเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่าไปมีอย่าไปเป็นอะไรกับเขาดีกว่าให้อยู่ในสภาพแบบไม่มีไม่เป็นไม่มีความอยากต่างๆให้อยู่แบบรู้เฉยๆใจที่รู้เฉยๆใจที่ไม่มีความโรคความอยากต่างๆนี้ ก็จะเป็นใจที่สงบนิ่งเย็นสบายแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจไปสัมพั์รับรู้หรือไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะเห็นแล้วว่าการมีร่างกายแต่ละครั้งนี้ ก็จะต้องเกิดความแก่ความเจ็บความตายตามมาทุกครั้งไปและการที่เห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์และเห็นว่าเหตุที่พาให้เรามามีร่างกายก็คือความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากกามมาคุณทั้งห้าเราก็หยุดความอยากที่จะเสดกรมาคุณทั้งห้ากรรมาตันหา ความละทัณหาไปภาวะตันหาวิภาวะทันหาไป mm. พอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วแล้วเรามีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากในใจของเราได้ mm. เราก็ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุด mm. เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรารู้สึกใจเพลียขึ้นมาก็แสดงว่าเราใจเรามีความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความอยากให อาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปอย่างรวดเร็วพอมันไม่หายมันก็ทำให้ใจเราเครียดนี่เราก็ต้องรู้ว่าเราสั่งไม่ได้สั่งให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่มาหรือให้มันหายไปทันทีทันใดไม่ได้เมื่อมันยังมีอยู่มันเป็นอยู่ก็ต้องยอมรับมันไปอยู่เฉยๆไปทำใจให้เป็นอุบเบกขาไปใจที่มีสมาธิก็จะมีกาลังที่จะ ใช้มีอุเบกขาที่จะมาใช้สอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้พ<ม>อใจหยุดความอยากต่างๆได้<ม>ความทุกข์ใจต่างๆก็จะไม่มีมความอยากที่จะกลับมาพาให้เรามาเกิดมามีร่างกายก็จะไม่มีต่อไปแล้ว<ม><ม>ต่อไปเมื่อเราละความอยากทางการมาคุณได้เราก็ไปละความอยากทางทาง ทางรูปประชานและอารูปประชานต่อไปเบื้องต้นเราละกามกามปัญหาก่อนแล้วค่อยเป็นละภาวะปัญหาหรือความอยากมีรูปประชานและวิภาวะปัญหาความอยากมีอารูปประชานต่อไปเพราะความอยากเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้จิตใจของเรานี้จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนั่นเอ ง, งอันนี้คือ สิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถ้าเราถ้าเรามีความสนใจถ้าเรามองเห็นทุกข์ในในร่างกายของเราถ้าเรามองเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นกองทุกข์มาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเราอยากจะหาวิธีดับความทุกข์ใจของเรานี่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะถือว่าเราโชคดี เหมือนกับคนไข้ที่มีหมอมีมียารักษาโรคของตนได้พอเรามีความทุกข์ใจเราก็เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้ามีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงได้ยิ่งดีใหญ่แต่สมัยนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านยังทิ้งตัวแทนของท่านม้อยู่เพื่อที่จะมารักษาโรคใจของพวกเราอยู่ก็คือ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันนี้ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพร ะ, พระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะคำสอนวิธีการํำจัดความทุกข์ต่างๆวิธีซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็เข้าหาพระไตรปิฎกได้ อ่านศึกษาจากพ่อไตยพิดกโดยตรงเลยก็ได้ถ้าเรามีความสามารถที่จะอ่านแล้วเข้าใจที่สามารถที่จะเอาคําสอนนี้ไปใช้ในการปฏิบัติชำระจิตใจต่อไปถ้าเราอ่านแล้วไม่เข้าใจเราก็อาจจะต้องไปแสวงหาคําอธิบายจากผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุแล้ว คือพระ อ, อริยสงสารกต่างๆของพระพุทธเจ้าคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองอพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเราก็เราก็สามารถไปแสวงหาความรู้แสวงหาคําตอบจากจากการศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายได้เพราะลาพังปัญญาของเรานั้นอาจจะมี ไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถนำมาไปปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็ยังโชคดีที่โลกเราในในยุคนี้ยังไม่ขาดขาดจากพระอริยบุคคลยังมีพระอริยะบุคคลปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็อยู่ที่เราเราต้องขวนขวายค้นคว้าหาเอา ถ้าเราสนใจจริงๆเราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับพระอริยสงฆ์อย่างแน่นอนอยู่ที่ความเพียรความพยายามอยู่ที่การฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาค้นหาความจริงยิ่งยุคนี้มีวิธีการศึกษาแบบง่ายลร ว, วดเร็วคือเรามีระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเหมือนห้องสมุดที่เราสามารถ คนหาข้อมูลต่างๆที่เราอยากจะรู้ได้อยากจะรู้ว่าพระสุ ป, ปฏิปโนอยู่ที่ไหนก็ลองใส่คำถามนี้เข้าไปเดี๋ยวก็จะมีปรากฏคำตอบขึ้นมาให้เราได้รู้ว่าพระสุ ป, ปฏิปโนทั้งหลายนั้นท่านอยู่ที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ท่านมักจะอยู่ตามป่าตามเขากั น, ถ, นถ้าเป็นพระปฏิบัติมักจะเป็นพระปฏิบัติที่อยู่ตามป่าตามเขา เลยอยู่วัดป่าวัดเขากัน mm hmm. เมื่อเรารู้ว่ามีองค์นั้น mm hmm. องค์นี้เราก็ลองค้นหาคำสอนของท่านมาอา่านดูมาศึกษาดู mm hmm. เมื่อศึกษาแล้วเราก็เกิดความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับว่า mm hmm. วิธีการกาจัดความทุกข์ของใจเหล่านี้ต้องกำจัดด้วยวิธีใด mm hmm. เราก็จะได้เรียนรู้ว่าก็ต้องกำจัดด้วยการซักพอกิเลสปัญหาให้หมดไปจากใจ mm hmm. และวิธีการของการชำระสักข้อก็มีแสดงไว้ทั้งในพระไตรปิฎกและในคำสอนของพระปฏิปฏบัติดีปฏบิปฏบัติชอบทั้งหลายท่านก็จะสอนวิธีการสรรักข้อจิตใจด้วยทานศีลภาวนาหรือบางทีถ้าท่านสอนในกลุ่มนักบวชท่านก็จะสอนศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปด อ, อ, อ, อ, อันนี้ก็เป็นเครื่องซักข้อจิตใจเหมือนกันเพียงแต่ว่า บุคคลที่มาศึกษานี้อาจจะมีสถานภาพไม่เหมือนกันก็จำเป็นที่ยังสอนไปตามสถานภาพสำหรับตถาญาณโยมนี้ต้องสอนให้ทาทาทานก็เพราะว่าตถาญาณโยมนี้ยังอาศัยเงินทองในการที่จะหาความสุขในการดับความทุกข์อยู่ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้อง แลเป็นการไม่นอกจากไม่ได้เป็นการดับความทุกข์อย่างถาวรแล้วยังเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเพราะเมื่อต้องพึ่งเงินทองมาเป็นเครื่องดับความทุกข์ก็ต้องมาเครียดกับการหาเงินหาทองกันอยู่เรื่อยๆเพราะเงินทองก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้เมื่อเมื่อมันมันจะหมดก็ต้องไปไปหาหามาเพิ่ม และวิธีที่ดีที่สุดก็พยายามอย่าไปใช้เงินทองมาเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจเวลาเวล า, เวลามีความทุกข์ใจเราต้องมาดับความทุกข์ใจด้วยการมาปฏิบัติมารักษาศีลมาฝึกจิตมาทำใจให้สงบไม่ใช่ไปเที่ยวกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาเสกกันมันเป็นการ คำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวไม่ได้เป็นคำจัดความทุกข์แบบถาวรพอพอได้เสพได้สัมผัสก็ก็รู้สึกสบายใจขึ้นสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานความสุขที่ได้มามันก็หายไปแล้วพอมันนึกถึงเรื่องที่เคยทําให้ใจเครียดใจทุกข์เรื่องความเครียดความทุกข์มันก็จะกลับมาใหม่อยู่เรื่อยๆหต้องสอนให้ผู้ที่ยังใช้เงินทองในการ ดับความทุกข์อยู่นี่ให้ยุติ ใ, ให้เก็บมันเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่พอที่จะเอาไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ก็ควรที่ยาวนำไปเพราะการเอาเงินไปทำบุญทำทานนี้ก็เป็นวิธีลดละความทุกข์ได้เพราะเป็นการลดละกิเลสตัณหาให้น้อยลงไปนั่นเอง ความโลภอยากจะมีเงินอยากจะใช้เงินเราก็เอาเงินที่เราจะใช้ให้กับกิเลสนี้เอาไปใช้ในการทํททานทาทานแทนเราจะให้ใครก็ได้ซึ่งเราวิธีให้การให้ก็มีหลายเหตุผลด้วยกันให้ด้วยความเมตตาสร้างมิตรภาพให้ด้วยความกรุณาเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้หรือให้ด้วยความกตัญญูกตวเวทีก็ได้ คนเราทุกคนเกิดมาย่อมมีผู้มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาของเราเราก็ด้าเรามีทรัพย์ที่เราอยากจะเอามาใช้ประโยชน์ก็เอามาใช้ประโยชน์ให้กับบิดามารดาของเราก่อนเป็นการทดแทนพระคุณของท่านแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณอนอกจากบิดามารดาแล้วเราก็อาจจะมีความเห็นพระคุณของพระพุทธศาสนาเราก็มา ช่วยการทำนู่บำนุงพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทรัพย์<ม>เพื่อสร้างวัดขึ้นมาสร้างฐานวัลวัตถุที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็สนับสนุนผู้ที่มาบวช ด, ด้วยปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแทนที่จะเอาเงินทองไปเสพยาเสพติดทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ซึ่งเสดเท่าไหรก็ไม่อิ่มไม่พอเอาเงินทองมาทำบุญมาตอบแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณจะดีกว่าเพราะทําทแล้วจะทําให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาจะไม่ได้ทาให้เกิดความหิวโหวยเหมือนกับการไปเสพรูปเสียงกิริลมันแล้วความสุขอันนี้มันจะอยู่กับอยู่คู่กับใจไปจนวันตายและก็จะเป็นที่พึ่งของใจต่อไปเวลาที่ไม่มีร่างกาย ใจก็จะได้อาศัยบุญที่ทำที่ไดจากการทาทานนี้มาเป็นผู้สนับสนุนให้จิตใจอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความอิ่มเพื่อให้ไปอยู่ในสุขตินั่นเองโดยการทำบุญทำทานถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานถ้ายังไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างน้อยพบชาติที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะอยู่ในสุขติทาบุญทำทาน ไปเป็นไปเป็นเทพเป็นไปอยู่ในสวรรค์กลับจากสวรรค์ลงมามาเกิดเป็นมนรรุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่มีใจบุญศุนทานกลับมาแล้วก็กลับมาทำบุญทาทานต่อถ้ามีถ้ามีทรัพย์า ม, มากมีมีเงินทองมากก็แทนที่จะไปเอาไปใช้ซื้อความสุขให้กับตนเองด้วยรูปเสียงกลิ่นรสก็เอาเงินนี้ไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณ เป็นบิดามารดาหรือกับพระพุทธกับพระศาสนาที่มีพระคุณต่อสัตว์โลกอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีพระศาสนานี้ก็จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะรุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ น, นี่ก็คือเรื่องของการทำทานถ้าสอนคารวะก็ต้องสอนให้ทาบุญทำทานก่อนเพื่อที่จะได้หยุดการหาเงินหาทองแบบไม่มีขอบมีเขตแล้วก็ใช้เงินแบบไม่มีขอบมีเข ไป ใ, ใช้เงินแบบมีเหตุมีผลหาเงินแบบมีเหตุมีผลถ้าใช้เงินหรือหาเงินแบบมีเหตุมีผลนี้ก็จะไม่ต้องหามากไม่ใช้มากใช้เพียงแต่เอามาเลี้ยงดูร่างกายก็จะทำให้มีเวลาที่จะได้ไปชําระจิตใจในระดับที่สูงขึ้นไปก็คือการไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปรักษาศีลแปดไป ไปภาวนาไปบำเพ็ญจิตตภาวนา <Yes. S 2> ในวันพระเช <Yes. S 2> ่นวันนี้ <Yes. S 2> ในวันนี้ถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้โลภมากกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองพอรู้ว่าพอมีพอกินไม่เดือดร้อนแล้วก็เอาเวลามาหาธรรมะดีกว่าเอาเวลามาซักข้อกจิตใจโดยการเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมวิธีการซักพ้อกต่างๆว่าจะต้องซักพ้ออย่างไรแล้วก็ แล้วก็ไปปฏิบัติวิธีซักกก็ต้องห้ามห้ามกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ<ม>คือให้ให้ออกจากกา ร, รมาคุณห้าเรียกว่าเป็นการถือเนคขมมะมละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>เพื่อที่จะได้เอาเวลา<ม>ที่ไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ม, มาให้กับการบําเพ็ญ จ, จิตตภาวนา ขั้นต้นก็คือขั้นสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบวิธีจะทำจิตใจให้สงบนอกจากมีเวลาแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกถ้าอยู่ในที่มีเสียงอบกระทึกพุกโกมีกิจกรรมอะไรต่างๆถึงแม้จะเป็นกิจกรรมทางศาสนามันก็ยังรบกวนการทำจิตใจให้สงบได้ ถ้าต้องการทําจิตใจให้สงบจึงควรไปหาวัดที่มีสถานที่สงบสงัดไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะได้เจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเพราะการจะทําจิตให้สงบเป็นสมาธิเพื่อหยุดกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวจําเป็นต้องหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้และสิ่งที่จะมาหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็คือสติ ถ้ายังอยู่ควางคิดปุงแต่งไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสติหรือมีสติยังมีกำลังไม่มากพอก็ต้องมาเพียรสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็คือคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการบังคับให้จ ใ, ให้ไปจุดให้จิต ใ, ใจไปจด จ, จ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นใช้ให้จด จ, จ่ออยู่คาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติด้วยการจริบรกรรมพุโทโธพุโทโธไป ไปทำกิจอะไรก็พุทโธควบคู่ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่นะอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กำลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันกำลังล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้ากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับกิจกรรมที่กาลังทาอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราก็จะควบคุมความคิดได้ไม่ปล่อยให้ใจคิดเรือเ่อยเปื่อยแล้วพอถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบใจก็จะไม่ฟุง้งซ่านเพราะใจถูกควบคุมมาก่อนแล้วสาเหตุที่คนนั่งสมาธิกันไม่ได้เพราะนั่งแล้วจิตฟุง้งซ่านก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกสมาธิกันมาก่อนเลยพอถึงเวลาก็จะมานั่งเลย <Yeah. S 1> พอจะมานั่งเลยนี้ จิตมันก็ยังคิดฟุ้งซ่านของมันอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมามันก็จะไม่หยุดคิดทันทีทันใดเราพยายามพุโทโธมันก็ไม่ยอมอยู่กับเราพุโทโธได้สองสามคำมันก็ดึงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดูลมหายใจก็ดูได้แค่สองสามครั้งมันก็ดึงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สาเหตุก็เกิดจากการไม่ได้ฝึกสติไว้ล่วงหน้าก่อนดังนั้นถ้านต้องการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบให้จิตนิ่งจิตสบายจิตมีความสุขนี่ สิ่งแรกที่จะต้องทำกันให้มากๆก่อนก็คือการเจริญสติมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาการเจริญสติได้ได้ดีก็คือต้องทำในวันที่เราไม่ต้องทำงานเพราะว่าถ้าเราต้องทาไปทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เอาพคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้ความคิดทักทายกันสนทนากันไปแล้วก็คุยเรื่องงานเรื่องการก็ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา การปฏิบัติจึงไม่ไม่เหมาะในวันทางานพระพุทธเจ้าจึงทรงให้แยกวันทำงานกับวันปฏิบัติแยกออกจากกันเป็นวันพระนี้ให้เป็นวันปฏิบัติทำเพียงอย่างเดียวอย่าไปทำงานทำการหาวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการมาเป็นวันที่เราจะได้มาปฏิบัติออทานศีลภาวนากันออถ้าเรามีแยกแยกมีเวลามีสถานที่ที่สงบที่สนับสนุน ในการเจริญสติการนั่งสมาธิก็จะไม่ยากนั่งไม่นานห้านาทีสิบนาทีจิตก็นิ่งจิตก็รวมได้เมื่อจิตนิ่งจิตรวมจิตก็จะมีความสุขแล้วจิตก็จะมีกำลังกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้พอออกจากสมาธิมาพอมีกิเลสตัณหาเราก็สามารถใช้สติยับยั้งมันได้แต่การยับยัง้งกิเลสตัณหาด้วยสติก็จะต้องยับยั้งเป็น ทำได้เป็นพักๆไปพอเราไม่มีสติกิเลตันหามันก็โผล่ออกมาใม่ถ้าเราอยากจะกำจัดกิเลตันหาให้หมดไปจากใจเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดกิเลตันหาขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลตันหาต้องการนั้นเป็นตายลักษณอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด ไม่ช้าก็เร็วได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปพอเขาจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าใจเสียใจพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการจะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ใจต่อไปเราก็จะไม่อยากมีเราก็ไม่อยากได้อะไรเราก็จะหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาได้เราก็สามารถอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไร ใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่ง mm hmm. ใจที่ได้รับการชำระนี้เป็นใจที่จะให้ความสุขอย่างยิ่ง mm hmm. ก็คือใจที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั่นเอง mm hmm. ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ท่านเรียกว่านิพพาน mm hmm. เป็นใจที่ไม่มีความอยากไม่มีเหตุ mm hmm. ที่จะมาดึงให้ใจต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไป แล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้ใจมาเกิดมามีร่างกายต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีวันพระใช้วันพระให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาศึกษาพระธรรมคาสอนคือศึกษาวิธีซักฟองจิตใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีซักฟองแล้วเราก็ต้องนาเอาไปปฏิบัติ เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วผลก็จ ะ, ะค่อยๆปรากฏขึ้นมาต้องใจเย็นๆผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเหมือนการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ต้นไม้มันยังไม่ออกดอกผลให้ทันทีมันต้องใช้เวลาคอยทำนุบำรุงต้นไม้เมื่อปลูกแล้วต้องคอยทำนุทำนุบำรุงอให้น้ําให้ปุ๋ยคอยป้องกันวัชพืชต่างๆแมลงสา์กัดต่อ ย, ต, อยต่างๆ รักษาให้ต้นไม้ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเลาเดี๋ยวนายที่สุดพอต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มตที่ผลต่างๆก็จะออกมาอย่างแน่นอนการซักฟ้องจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันก็ต้องซักฟอกไปเรื่อยๆ เ, เริ่มต้นจากวันคระไปก่อนแล้วต่อไปถ้าเห็นคุณเห็นประโยชน์อยากการซักฟอกว่าทําให้จิตใ จ, จเราเริ่มมีความสุขมากขึ้นมีความเย็นมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นก็อยากจะซักฟอกมากขึ้นไปเอง ก็จะเพิ่มวันสักพ อ, อกเป็นสองวันเป็นสามวันแล้วต่อไปก็อาจจะสักพ อ, อกทุกวันบางท่านก็อาจจะไปบวชเลยก็มีแต่พอไปบวชก็ได้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของกิจภารกิจในวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจิน e ังเปตานังอุปการปฏิอจิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนะราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีตาโยโขภะ อาพิวาทนัสีลิศะนิจังุทาปจายโนจตารุทมาวะทานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามแต่วันนี้มีชาวต่างชาติมาก็จะให้ชาวต่างชาติเขาถามก่อน แต่หลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็อาจจะถามต่อได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดกี่คนนะวันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 484ท่าน YouTube พระอาจารย์3 1 7ท่าน YouTube ดรว65ท่านครับเ้า8ท่านวิทยุออนไลน์7ท่านนากุติ ร้อยเจ็สิบสองท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันห้าสิบสามท่านครับพระอาจารย์วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็ต้องขออภัยเรื่องเรื่องคำถามท่านภาษาไทยก็ต้องรอไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอันนี้ถ้าท่านฟังภาษาอังกฤษเข้าใจก็คงจะเข้าใจได้รับประโยชน์ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต